วันมาฆบูชาได้เวียนใหม่ครั้งหนึ่งการเวียนมาของวันมาฆบูชานะก็คล้ายๆกับการหมุนเวียนของฤดูกาลเพียงแต่ว่าฤดูกาลเนี่ยหมุนเวียนตามธรรมชาตินะ จากรดูหนาวนะก็จะเริ่มเป็นรดูร้อนรดูร้อนก็รดูฝนแล้วก็เวียนมาเป็นรุดูหนาวนะส่วนของชาวพุทธเรานะก็มีวันมาคบบูชาเวียนมาก่อนต่อไปก็วันวิสาขบูชาแล้วก็วันอาสราะบูชานะเป็นการเวียนนะ ที่มาเตือนให้ชาวพุทธได้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์วันมาฆบูชาวันวิสาขาบูชาวันอาสระบูชานะมาพร้อมกับคำสอนนะเป็นคำสอนที่แตกต่างกันไป แต่ว่ามีจุดมุ่งหมายแล้วก็สาระสำคัญเหมือนกันอย่างเช่นวันมาคบูชาเนี่ยเราอาจจะจำไม่ได้ว่าสำคัญอย่างไรบ้างนะแต่อย่างน้อยก็ให้ระลึกนึกถึงคำสอนที่สำคัญของพระพุทธองค์ในโอกาสนี้นะก็คือโอวาทปาติโมก เป็นคำสอนที่พระองค์แสดงแก่พระอรหันต์หนึ่งพันสองร้อสิบรูปนะที่ได้มาประชุมกันพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายทั้งหนึ่งพันสองร้สิบรูปก็เป็นพระอรหันต์ที่พระองค์ได้ทรงบวช ด, ด้วยพระองค์เองนะเอหิพิขูปสัมปทาหลังจากที่พระพระองคนะ์ได้ตัดสรุ ก่อนหน้านั้นนะประมาณเก้าเดือนแล้วก็เกิดมีพิสูจสงฆ์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกสามเดือนหลังจากนั้นอะกสองเดือนหลังจากนั้นนะ อ, อ, นนนนะอันนี้เรียกว่าเป็นมีพระอรหารเกิดขึ้นครั้งแรกในพรรษาแรกของพระองค์ออกพรรษาแล้วนะ ไม่กี่เดือนต่อมาก็มีพระอาหารหันต์เพิ่มขึ้นมานะจนกระทั่งนะมีจำนวนถึงพันสองร้ห้าสิบรูปนี่ยังไม่ทันจะขึ้นพันษาที่สองเลยนะก็มีพันสองรสิบรูปอว่าร์ปฏิโมคเนี่ยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนพระอาหารหันต์เหล่านั้นนะเพราะว่าท่านได้รู้แจ้งเห็นธรรมแล้วนะ เรียกว่าเป็นอาศขาบุคคลคือไม่ต้องมีการศึกษาแล้วการศึกษาจบแล้วนะแต่ที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงนะเอย่ยหรือว่าแสดงธรรมโอวาทปาิโมขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อเป็นแนวทางให้กับพระอรหันต์เหล่านั้นนะที่จะนำไปเผยแพรนะ่แก่สรรพสัตว์แก่ผู้คนนะ คือว่าบางท่านเนี่ยรู้ธรำแจมแจ้งแล้วแต่ว่าการสอนก็อาจจะไม่ถนัดนะบางคนก็เป็นค า, ารวาสมานานนะเกิดทั้งชีวิตแล้วก็มาเห็นธรรมตนบรรลุอรหรัตผลแต่ว่าก็ไม่เคยสอนใครนะอนนี้เมื่อเป็นพระอาหารหันแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปโปรดสัตว์นะต้องแยกแย้ากันไป ตามที่ต่างๆเพื่อไปนำพาให้ผู้คนทั้งหลายได้มีดวงตาเห็นธรรมหรื อ, อย่างน้อยๆก็เป็นคนดีที่เรากากระยานปุถุชนนะพระพุทธองค์ก็เลยให้แนวทางไว้ซึ่งแนวทางนี้ก็จริงๆก็มีแค่สามนะง่ายๆนะก็คือว่าการไม่ทำบาปทั้งบวงการทำกุศลให้ถึงพร้อม และการทําจิตให้ขาวรอบซึ่งเราก็สรุปง่ายๆว่าละชั่วทําดีทําใจให้บริสุทธิ์แต่คําว่าละชั่วนี้ก็ยังเป็นคําที่ไม่ถูกต้องทีเดียวนักนะเพราะว่าละชั่วนี่แปลว่าเคยทําชั่วและละนะอย่างเช่นคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่ชอบฆ่าสัตว์อะตอนนี้ก็ละซะแต่ว่าบางคนเนี่ย อาจจะไม่ได้เคยทำชั่วเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่จาเป็นปต้องละชั่วที่ถูกต้องคือว่าไม่ทำชั่วนะไม่ทาชั่วการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชารติจิตของตัวข่าวรอบเนี่ยคือบันไดาสามขั้นที่จะทำให้เกิดกรัลรยาณปูถุชนนะอย่างต่ำนะก็คือคนดีและสูงสุดก็คือบรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์นะ นะสามข้อนี้เนี่ยก็อันเดียวกับศีลสมาธิปัญญานะศีลนะ ส, สมาธิปัญญาเพียงแต่ว่าข้อที่เป็นเรื่องศีลเนี่ยเพราะพุทธองค์ก็จําแนกออกมาเป็นสองนะคือว่าไม่ทําชั่วและทําดีนะข้อที่สองทำดีเนี่ยก็หมายถึงว่าทําดีทางกายอันนี้ก็เป็นเรื่องศีลถ้าทําดีทางใจนะเช่นมีเมตตาไม่มีจิตคิดพยาบาท นะมีจิตใจที่สงบอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําดีฝ่ายจิตก็จัดว่าเป็นสมาธินะเวลาเราพูดสีสมาธิปัญญาเนี่ยสีหมายถึงพฤติกรรมภายนอกทางกายวาจาสมาธิรราที่หมายถึงจิตนะไม่ได้แปลว่านั่งสมาธิอย่างเดียวนะนะคําว่าสมาธิมีความหมายหลายอย่างความหมายที่กว้างคือเป็นเรื่องของคุณภาพจิตที่เป็นกุศลเช่นมีเมตตากรุณามีขันตินะ มีสติมีความรู้สึกตัวตมีวิริยะความเพียรนี่ก็เรียกว่าเป็นสมาธิหรือว่ามีจิตเป็นกุศลเรียกว่าฝ่ายสมาธิเมื่อละชั่วทําเมื่อไม่ทําความชั่วทําความดีทําจิตให้บริสุทธิ์ทําจิตให้ขาวสะอาดตั้งแต่ให้ขาวสะอาดเนี่ยนะถ้าอาทําจิตไม่ให้มีกุศลอกุศลเข้ามาครอบงาเนี่ย อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำให้จิตเนี่ยมีสมาธิแต่ถ้าฝึกจนกระทั่งจำแจ้งนในสัจธรรมเกิดปัญญาอันนี้ก็เรียกว่าได้อบรมบ่มเพาะตนในเรื่องปัญญาทำสาสามอย่างครบก็เรียกว่าถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญา เ, เพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปสงสยัยเอ๊ะสามข้อนี้ มันทำไมไม่เหมือนกับศีลสมาธิปัญญาที่เราเคยเรียนรู้มาที่จริงอันเดียวกันแล้วครั้นี้เนี่ยพระองค์ก็อธิบายขยายความให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นว่านะการไม่ทำบาปทั้งปวงคืออะไรนะก็คือไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนะอันนี้เป็นเป็นข้อใหญ่ใจความที่สำคัญนะเพราะว่าการพูดร้ายเนี่ยนะและการทำร้ายเนี่ยมันเป็นบาปมหาเลนนะ เพาะว่มัป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยสข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คือการไม่ทําร้ายนั่นเองนะการไม่ฆ่าสัตว์นะอันนี้การไม่ทําร้ายเนี่ยมันยังหมายถึงการลักขโมยด้วยนะสิ่งข้อที่สองเนี่ยก็คือการไม่ลักทรัพย์เนี่ยเพราะการลักทรัพย์ก็เป็นการทําร้ายทําร้ายผู้อื่นด้วยการขโมยทรัพย์ของเขาหรือว่ายืมแล้วไม่คืนนี่ก็เป็นการทําร้ายนะ หลายคนนี่คิดว่าเออยืมไปแล้วยืมเงินไปแล้วเขาลืมไปละนะก็ไม่คืนเนี่ยอันนี้ถือเป็นการทําร้ายนะการทําร้ายนี่ไม่ได้มีทําร้ายเฉพาะบุคคลอาจจะทําร้ายส่วนรวมก็ได้เช่นเอาเงินหลวงไปคอร์รัปชันทุจริตนะอันนี้ก็เป็นการทําร้ายอย่างหนึ่งนะข้อที่สาเนี่ยสิ่งข้อที่สามก็เป็นการทําร้ายนะไปล่วงละเมิด คนที่เขามีเจ้าของแล้วพูดง่ายๆคือว่าไปามีชู้นะผิดประเวณีเนี่ยก็เป็นการทาร้ายจิตใจนะของผู้ที่เขาเป็นเจ้าของหรือเป็นคู่รักนะ mm hmm. การไปเป็นกิ๊กเนี่ยนะการไปเป็นกิ๊กกับผู้อื่นนะถ้าถ้าคนนั้นเนี่ยเามีคู่ครองคู่รักนะเป็น เ, เป็นเรื่องเป็นราวอยู่แล้วจะแต่งงานหรือไม่แต่งงานก็แล้วแต่ และถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่รับรู้ด้วยเนี่ยนะก็ถือเป็นการทำร้ายจิตใจเขาน ะ, นะคนสมัยนี้เนี่ยไม่ไม่เข้าใจนะไปคิดว่าเออไปเป็นกิ๊กกับใครมันไม่เป็นบาปนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่รับรู้ด้วยนะการไปเป็นกิ๊กกับคู่รักของเขาเนี่ยมันก็เป็นการทำร้ายเขาเหมือนกันแล้วก็ จ, จะเกิดผลนะ กลายเป็นความเคียดแค้นและสุดท้ายเนี่ยผลนั้นก็ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองอย่างเราก็คงได้ยินข่าวนะฆ่านะฆ่าชู้นะหรือบางทีรู้ว่าแฟนมีชู้เนี่ยนะก็ยิงแฟนตายแล้วก็ยิงตัวเองตายเนี่ยมีข่าวเมื่อเช้านะไม่รู้จริงหรือเปล่านะว่าแฟนมีชู้แต่ความเมื่อปักใจเชื่อแล้วก็ไปยิงเขาตาย ยิงผู้หญิงตายนะเสร็จแล้วก็ยิงตัวเองตายเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องเพราะไปทำร้ายจิตใจนะจากการที่ไปแย่งคู่รักของเขาหรือไม่ซื่อตรงนะต่อคู่รักของตัวเองการโกหกนะก็เป็นการทำร้ายนะถือว่าเป็นการพูดร้ายเหมือนกันนะพูดร้ายนี่ไม่ได้แปลว่าด่าห ย, บยบาบๆใครๆนะอาจจะหมายถึงการโกหกหมายถึงการสอดเสกก็ได้นะ นี่ในโอวาทปฏติโมกเนี่ยก็จะมีท่านก็จะพูดสรรพกาไม่พูดร้ายกาไม่ทําร้ายนะแล้วก็ขยายความว่าเนี่ยสํารวมในปาติโมกปาติโมกเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่พระเจ้าเนี่ยทรงแสดงโอวาทปาติโมกครั้งแรกเนี่ยมันยังไม่มีพิกขุปาติโมกนะพิกุปาติโมกคือาภาษาชาวบ้านคือสี่สองอยสิบเจดข้อเนี่ยอันนี้เราพิกขุปาติโมกสมัยนะั้นเป็นพระราหัน์หมดเนี่ย ก็เลยไม่มีหรือไม่จําเป็นต้องมีการวางสิกขาบทนะไม่มีการวางระเบียบว่าพระต้องทําอย่างงาน้นห้ามทําอย่างนี้ถ้าทําอย่างนี้เรียกว่าเป็นอาบัติสมัยนั้นยังไม่มีนะเพราะเพิ่งเป็นพรรษาแรกนะพระนี่ก็ยังเรียบร้อยเป็นพระอาหารหันต์ด้วยซ้ำนะแต่ว่าอท่านหมายถึงว่าพูดว่งงาคือระเบียบนั่นเองนะซึ่งก็หมายถึงระเบียบของคารวะก็ได้นะ ระเบียบกฎเกณ์นเนี่ยนะมารยาทก็ได้ความสำรวมในปาติโมกเมื่อสำรวมแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ไม่เกิดเรื่องเดือดร้อนนะถ้าเราทำตามระเบียบการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ใครมันก็ไม่มีหรือว่าจะทำให้เกิดเรื่องเดือดอร้อนใจในภายหลังเนี่ยก็เกิดขึ้นได้ยากถ้าว่า ไม่ปฏิบัติตามปาติโมกนะมันก็กลายเป็นการทำบาปได้เหมือนกันนะอย่างเช่นในระยะหลังเมื่อมีพิคุปาติโมกศสียนซ้ยเจ็ดข้อเนี่ยนะก็มีบางข้อนี่ห้ามหรือว่าแม่นุ ญ, ญาตให้พระเนี่ยไปไปขอนะไปขอเงินไปขอข้าวชาวบ้านเขาการทภาไปขอเนี่ยนะมันก็เป็นการสร้างความเดือดร้อนนะ แต่ผู้อื่นก็เรียกว่าผิดศีลเหมือนกันนะสมัยนี้ก็คงจะรวมถึงการปฏิบัตินะตามกฎจราจรด้วยถ้าเป็นคาราวาปฏิบัติตามกฎจราจรก็เป็นระเบียบแบบหนึ่งนะที่เราต้องปฏิบัติเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติมันก็เกิดเรื่องเดือดร้อนนะฝ่าไฟแดงที่อาจจะเกิดการขับรถชนกันนะหรือว่าการกากรเวลาจะเลี้ยวนะก็ไม่ไม่ให้สัญญาณ คนรถที่อยู่ข้างหลังก็ไม่รู้ก็เลยชนเอาขณะที่อีกคันข้า ง, ง, งหน้ากำลังชะลอเพื่อจะเลี้ยวแต่ไม่เปิดไฟให้สัญญาณเนี่ยมันก็เดือดร้อนเหมือนกันนะการสนับสนนปาติโม่เนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งในการที่จะทำให้ไม่ไปทำร้ายใครหรือไม่ไปสร้างความเดือดร้อนทั้งกับผู้อื่นและแก่ตนเองอันนี้การทำกุศลถึงพร้อมเนี่ยนะก็มีหลายอย่างนะ แล้วก็มีส่วนที่เพิ่มเติมขยายความในโอวัตปาิโมคือว่านะความรู้ประมาณในการบริโภคนะความรู้ประมาณในการบริโภคเนี่ยมันหมายความว่าให้รู้จักบริโภคแต่พอดีอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลแบบเหมือนกันนะศีลไม่ได้แปลว่าห้ามห้ามทำหรือไม่ควรทำสิ่งไม่ดีอย่างเดียวแต่ว่ายังรวมถึงว่าการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ควรทำด้วย สิ่งข้อนี้เนี่ยหรือคำสอนข้อนี้เนี่ยนะผู้เจ้านะกล่าวมาสองัหร้อยสองสามปีนี่นะ <p> ก็ยังใช้ได้จนทุกวันนี้นะเพราะทุกวันนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยมีปัญหามากจากการที่บริโภคไม่รู้จักพอไม่รู้จักประมาณมีปัญหาโรคอ้วนนะมีปัญหาไขามันนะอุด ต, ตันตามเส้นเลือด สเสลือดหัวใจบ้างสเสลือดสมองบ้างกินมากเกินไปเช่นน้ําตาลไขมันนะหรือว่าเกลือเดี๋ยวนี้ก็ป่วยด้วยโรคเบาหวานโรคโรคมะเร็งโรคหัวใจเป็นแม้กระทั่งเด็กเล็กๆนะเดี๋ยวนี้เด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยในเมืองเนี่ยนะที่มีน้ําหนักเกินหรือที่เรียกว่าอ้วนเนี่ยอย่างน้อยๆก็หนึ่งในสามแล้ว เบอเพอหนึ่งแน่หนึ่งในสองหรือครึ่งหนึ่งได้ซ้ำซึ่งมันก็ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาและยิ่งกว่า น, นั้นเนี่ยการบริโภคคนสมัยนี้มันไม่ใช่บริโภคอาหารนะน้ําตาลขนมไอติมช็อกโกแลตเท่านั้นนะเรายังบริโภคข้อมูลข่าวสารจนล้นเกินนะเดี๋ยวนี้คนเครียดมากนะเพราะว่ามันมีข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลเข้ามาแล้วก็บริโภคกันแทบทั้งวันเลย สมัยก่อนเนี่ยก็บริโภคทางโทรทัศน์ตอนหลังก็บริโภคทางคอมพิวเตอร์นะแต่คอมพิวเตอร์เนี่ยมันยังอยู่บ้านนะสมัยก่อนคอมพิวเตอร์เนี่ยเครื่องใหญ่นะบริโภคแต่ก็ต้องอยู่บ้านแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันติดตัวเราตลอดเวลาเลยโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยมันมีกำลังความสามารถเนี่ยในการประมวลผลข้อมูลเนี่ยมากกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมื่อ20ปีที่แล้วอีกนะ ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เมือ่อสิบปีที่แล้วโอ้โหี่มันมันความเร็วมันสูงมากนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันถูกย่อให้เหลือเพียงแค่นะโทรศัพท์มือถือในกร ม, มือเราแล้วเดี๋ยวนี้เราก็รับข้อมูลข่าวสารกันทุกวันแล้วก็เกือบลอดเวลาบางแห่งนี่แม้กระ ท, ทั่งทำวัดสวดม น, น์ก็ยังมีข้อมูลข่าวสารเข้ามานะทาง Facebook บางทางไลนบ้างแล้วก็บริโภคกันตั้งแต่ตื่นเช้าจนเข้านอนเลย เข้านอนนี่ก็ยังเปิดโทรศัพท์คาไว้นะมีหลายคนที่เปิดโทรศัพท์คาไว้นะเผื่อว่าจะมีข้อมูลหรือข้อความเข้ามานะเมสเซจแล้วเกิดอันตรายตามมานะคนเครียดนะเดี๋ยวนี้คนเครียดมากยิ่งไปบริโภคข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องการเมืองนะวันมาคาบูชาเนี่ยที่จริงมันควรจะเป็นวันที่คนไทยเนี่ยชาวพุทธเนี่ยควรจะหยุดบริโภคข่าวสารข้อมูลซัก บ้างนะหรือว่ารับแค่นิดหน่อยเพราะว่าตอนนี้มันมีข่าวสารนะที่ทำให้รุ่มร้อนนะบางทีคนก็ยังกลัวกันแล้ววันนี้มีประท้วงหรือเปล่านะวิตกกังวลขึ้นมาแม้กระทั่งในวันมาคบูชาแต่ถ้าเกิดว่าเราลองหยุดสะบ้างนะปิดเครื่องสะบ้างนะเราก็จะพบกับความสงบเย็นในจิตใจได้ง่าย แล้วการบริโภคมันไม่ได้มีแค่นั้นนะความบันเทิงเรืองรมเนี่ยหรือว่าการเสพสุขเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันเพราะคนทั้งวันนี้เนี่ยเสพสุขนะไม่ใช่แค่ทางปากนะทางตาทางหูทางกายแร้วว่าเช่นการดูหนังฟังเพลงนะการละเล่นรวมทั้งการเล่นเกมนะเดี๋ยวนี้เนี่ย สิลข้อที่เจ็ดเนี่ยมันควรจะลวมไปถึงการลเล่นเกมออนไลน์ด้วยนะไม่ใช่ว่าดูหนังดูละครฟังเพลงอย่างเดียวหรือว่าเต้นรำอย่างเดียวเนี่ยแต่บางขาก็ถือแบบเอาความหมายจำกัดตายตัวนะถือสินแปดนะแต่ว่ายังเล่นเกมออนไลน์เนี่ยมันมก็ไม่ถูกนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนบริโภคกันเยอะมากนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ แล้วก็ไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นเลยนะทุกวันนี้เนี่ยมีสิ่งบันเทิงเรืองรมีโทรทัศน์มีดนตรีมีละครให้ดูเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเป็นร้อยช่องนะแล้วก็แทบทั้งวันยังไม่ต้องพูดถึงผับบาร์คาราโอกเกะมีให้เสพตลอดเวลายีบสีชั่วโมงแต่คนก็ไมไ่มีความสุขมากขึ้นเลย พอคนไปคิดว่ายิ่งเสพมากยิ่งมีความสุขมากแต่พอไม่รู้จักความพอดีแล้วเนี่ยมันก็เกิดความทุกข์บางคนเสพจนเบือ่อพอเบื่อแล้วไม่รู้จกักจิตใจมันต้องอาศัยการกระตุ้นเราที่แรงขึ้นบางคนเสพกามนะจนจนเบื่อแล้วก็หันไปเสพ ย, ย, ย, ยาเสพยายาเสพติดนะเป็นเงินเยอะมากเพราะว่าไม่รู้จักพอเนี่ย มันก็เลยจิตก็เลยด่างกระด่างจิตก็เลยด้านชาจิตก็เลยเบื่อง่ายายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ต้องรู้จักประมาณในการบริโภคมากทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นสิ่งเสพทางตาทางหูทางจมูกทางกายสัมผัสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารนะต้องรู้จักหยุดนะต้องรู้จักอดนะสมัยนี้เนี่ยก็มีหลายคนนะ งดอาหารหรืออดอาหารเพื่อรักษาโรคนะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยมันได้มีโอกาสขับถ่ายสิ่งตกค้างที่เป็นพิษออกไปเราก็จะเป็นต้องมีนะการอดหรือการงดข้อมูลข่าวสารเพื่อที่จะได้ให้ใจเนี่ยกาจัดนะสารพิษหรือว่าอารมณ์ที่เป็นพิษออกไปจากใจนะมันมี อารมณ์ตกค้างที่เป็นพิษในจิตใจเยอะมากนะที่เราต้องรู้จักสะสางเอาออกไปการมาปฏิบัติธรรมนะการปลีกวิเวกนะจะเป็นที่วัดหรือที่ไหนก็ตามหรือแม้แต่ในบ้านเนี่ยนะัมันก็เป็นวิธีการในการที่จะช่วยนะกําจัดอารมณ์ที่เป็นพิษออกไปจากจิตใจแต่ว่านั่นเป็น วิธีการชั่วคราวนะสิ่งที่ควรทำสม่ำเสมอเกรือคื อ, คอรู้จักประมาณในการบริโภคนะไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจด้วยการนอนการนั่งนี้นที่สงบนะข้อต่อมาเนี่ยอันนี้ก็อางนี้เป็นเรื่องสำคัญมากนะเพราะที่นอนที่อยู่ของผู้คนทั้งวันนี้มันไม่ค่อยสงบสงัดแล้วมีเสียงอุกทึกทั้งรอบตัว นะแล้วก็มีสิ่งที่มากระตุ้นเราจิตใจให้ว้าวุ่นนะอันนี้ก็จากโทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะจากโทรศัพท์มือถือจากโทรทัศน์ข้างนอกก็มีเสียงดังข้างในใจก็ไม่สงบนะเพราะมีสิ่งเราเดี๋ยวนี้เนี่ยจะให้คนหนุ่มสาวหรือเด็กๆ เ, เนี่ยไปนอนไปพักไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นี่โอ้โเขาทุกข์มากเลยนะเขาไม่ยอมเลยนะ ไปนอนที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นี่เขาจะประท้วงเขาไม่ยอมเลยตัวที่เขาไม่รู้ว่าตรงนั้นการมีสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตเนี่ยไม่สงบสงัดแล้วเราต้องต้องรู้จักนะหาความสงบสงัดให้ได้เดี๋ยวนี้ที่ที่สงบสงัดเนี่ยมันกลายเป็นของหา ย, ยากนะต้องบางทีต้องดิ้นรนนะไปอยู่ป่าแต่ป่าหลายแห่งเดี๋ยวนี้ก็มีสัญญาณโทรศัพท์ แล้วก็หลายคนก็หักห้ามใจไม่ได้อยู่ป่าก็สงบข้างนอกแต่ใจไม่สงบก็ไม่น่าเชื่อนะสมัยที่พระเจ้าตรัสเนี่ยเมื่อสอง0ันหกรากปีที่แล้วเนี่ยนะให้แนะนำให้อยู่ในที่สงบสงัดเนี่ยนะถึงปัจจุบันนี่มันจะกลายเป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาเนี่ยยิ่งจำเป็นยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่นะสำคัญกว่ายิ่งเมื่อสองพันหกรากปีที่แล้ว การปีวิเวกเนี่ยอย่างที่เราทำกันที่สุกโตเนี่ยนั้นก็เป็นการช่วยทำให้เราได้รู้จักพึงพอใจในที่ที่สงบสงัดนะแล้วถ้าเรามีความพึงพอใจในที่สงบสงัดเนี่ยนะมันก็เป็นอานิสงส์นะเพราะว่าเราก็จะไม่หลงไหลในสิ่งเย้ายวนของโลกสมัยใหม่นะ แต่ว่าก็ต้องระวังนะเพราะว่าพราถ้าเราไปอยู่ในที่สงบสงัดแล้วเราเกิดติดขึ้นมามาอยู่วันแล้วพอใจในความสงบสงัดจนติดนะหรือว่าปฏิบัติทาเจริญสมาธิจนจิตมันติดสงบเนี่ยอันนี้ก็มีปัญหาขึ้นมานะว่าพอจะกลับไปสู่โลกภายนอกก็จิตใจมันก็ต่อต้านเป็นทุกข์นะจริงๆถ้าเราอยู่ในที่สงบสงัดแล้วเนี่ยนะเราต้องใช้โอกาสนีในการฝึกจิต ด, ด้วยเนี่ย ข้อนีต่อมาเนี่ยความหมัอนประกอบในการทรําจิตให้ยิ่งเนี่ยก็จําเป็นนะอันนี้แหละเป็นเรื่องภาวนาและนะเมื่อกี้เนี่ยเรื่องความรู้จับประมาณในการบริโภคก็ดนะีการนอนการนั่งในที่ส ง, งัดเนี่ยก็จัดเป็นเรื่องของการข้อปฏิบัตนะิฝ่ายศีลนะฝ่ายศีลก็คือการปฏิพฤติการประพฤปฏิบัติทางกายทางวาจาหรือพฤติกรรมนะซึ่งจะช่วยทําให้ชีวิตจิตใจมีความสงบเย็น นอกจากจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่เบียดเบีย น, นตัวเองด้วยนะการบริโภคเนี่ยมันเป็นเรื่องของศีลนะเช่เนเดียว ก, การทำมาหากินสา ม, มาชีวะก็เป็นเรื่องของศีลนะให้เราเข้าใจเรื่องศีลให้กว้างนะมาศีลมันไม่ใช่เป็นเรื่องของศีลห้าเท่านั้นมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่ อ, อทําให้เกิดประโยชน์ทําให้เกิดความสุขความสงบนะ เวลาเรากินอาหารแล้วเราพิจารณาปฏิสังขายโยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการมีศีลได้เหมือนกันนะมันมีคําในธรรมะข้อหนึ่งเรียกว่าปัจจัยสันนิสิตาศีนะปัจจัยสันนิสิตาศีเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พระต้องพิจารณาก็คือการบริโภคโดยรู้จักพิจารณาว่าบริโภคเพื่ออะไร เชนะ่นบริโภคอาหารเนี่ยเพื่อทำให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ใช่เพื่อรส่อยบางคนเนี่ยพอเจออาหารไม่อร่อยก็ไม่ชอบแล้วยิ่งเป็นพระยิ่งเป็นแม่ชีเป็นนักบวชเนี่ยยิ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบนะเพราะว่าหนึ่งเป็นของที่เขาถวายด้วยศรัทธานะถ้ามันเป็นของที่ไม่ใช่มีโทษอะไรเนี่ยมีประโยชน์เนี่ยเราก็ต้องนะต้องน้อมรับนะด้วยความขอบคุณ ข้อที่สองเนี่ยมันเป็นการฝึกให้เราอยู่แบบเรียบง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นของที่มีประโยชน์ถึงแม้ไม่อร่อยนะเราก็ไม่มีสิทธิ์บน่นนะเพราะว่ามันเป็นของที่เขาถวายด้วยศรัทธาเราไม่ใช่ว่าเราซื้อมาไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่ของเขาจะต้องมาถวายต้องขอบคุณได้ซ้ําแทนที่จะบน่นแล้วก็ก็ต้องบริโภคนะเพื่อประโยชน์นะในการดำเนินชีวิต คราวนี้เนี่ยนะเราก็ต้องเมื่อเรารู้จักประมาณในการบริโภคนะเรามีความพอใจในการอยู่ในที่อันสงัดแล้วเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องของศีลขั้นต่อไปเราก็ต้องรู้จักฝึกใจความหมั่นประกอบในการทาจิตให้ยิ่งเนี่ยก็คือภาวนาเมื่อมาที่สงบสงัดแล้วก็ต้องฝึกใจให้ นะมีสติมีความรู้สึกตัวมีความรู้เท่าทันในอารมณ์ไม่ปล่อยให้อารมณ์อกุศลครอบงำนะซึ่งถ้าเรามีสตินะมีสมาธิเนี่ยจิตเราก็จะประนีตจิตเราก็จะงดงามมันก็ทำให้การพูร้ายการทำร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากนะและมันจะเป็นฐานนะให้กับการมีขันติด้วยนะโ อ, อวัตถปิโมนเนี่ยจะเริ่มต้นนะหลังจากผู้อาการ ไม่ ท, ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลได้ถึงพร้อมการชรําระจิงของตัวขาลอบท่านก็จะพูดถึงขันตินะขันติคือความอดการเป็นทําเครื่องเผากีรย์อย่างยิ่งเนี่ยการประกอบในการทําจิตให้ยิ่งเนี่ยนะมีความหมายกว้างขวางนอกจากหมายถึงการเจริญสติการทําสมาธิแล้วเนี่ยก็ต้องนะการสร้างขันติทําให้เกิดขึ้นขันติธรรมเนี่ยก็หมายถึงความอดทนอดทนต่อ สิ่งภายนอกเช่นแดดร้อนอากาศหนาวหรือว่าความยากลำบากแล้วก็อดทนต่ออารมณ์ภายในเช่นความโกรธนะความเกลียดมันเกิดขึ้นมาก็รู้จักระงับยับยัง้งไม่ไม่ปล่อยใจให้เป็นทาตของอารมณ์เหล่านั้นเพราะถ้าเป็นทาตมนมันก็จะทำให้พูดร้ายทำร้ายนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพูดร้ายทำร้ายกันมากนะ อาจจะไม่ได้พูดร้ายต่อหน้าต่อตาแล้วแต่เราพูดร้ายด้วยการส่งข้อความนะต่อว่าด่าทอทางโซเชียลมีเดียทาง a ฟ e b o o k ทางไลนะ์ l ล n e นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ทาง a c e b o o k เนี่ยเดี๋ยวนี้พูดร้ายกันเยอะมากใครพูดอะไรไม่ถูกใจไม่เห็นด้วยก็ด่าแล้วมันก็น่าแปลกทำไมไม่เห็นด้วยทำไมต้องด่าด้วย ไม่เห็นด้วยก็ชี้แจงไปสิไม่เห็นด้วยก็อธิบายไปสิทำไมต้องด่าที่ด่าเพราะอะรเพราะไม่มีขันตินะไม่สามารถจะมีความอดทนต่อความเห็นที่ไม่เหมือนตัวที่แตกต่างจากตัวได้เดีย๋ยวนี้คนไทยเป็นอย่างนี้กันมากนะแม้กระทั่งชาวพุทธเนี่ยช่วงอธิตย์ทีผ่านมาก็มีเรื่องราวนะในบ้านเมืองเกี่ยวกับพระสงฆ์หลายคนก็ฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยฝ่ายหนึ่งก็ไม่เห็นด้วย ซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะลงเอด้วยการด่ากันนะด่ากันทางสื่อมวลชนด่ากันทางเฟ e b o ๊ k ค, คนเดี๋ยวนี้เนี่ยนะไม่เข้าใจว่าเมื่อไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องชี้แจงนะไม่ใช่ด่าอานะชาพุทธเนี่ยที่ล่วมโมฆะไปด่าแล้วนะก็มีเยอะมากนะก็ไม่เฉลียวใจนะว่าการพูดการทำเช่นนั้นเนี่ยแม้เป็นการพิมพ์ข้อความเนี่ยไม่ใช่ด่าด้วยวาจาเนี่ย มันก็เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระ เ, เจ้าเนี่ยโดยเฉพาะในวันนี้โอวาทปฏิโมกเนี่ ย, ว, ธธยวันมาฆบูชาเนี่ยพระเจ้าตัดไว้ชัดเจนไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายชาวผู้เราต้องมีความระมัดระวังนะเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเปิดช่องให้เราเนี่ยพูดร้ายกันได้เยอะเพราะว่าเราไม่เห็นหน้าแล้วก็บางคนก็ใช้นามแฝงนะเพราะ คนอื่นพอรู้ว่าคุณหนึ่งเขาไม่รู้จักเราแล้วก็พอไม่เห็นหน้าเขาเนะี่ยก็จะพูดอะไรก็ได้จะด่ายังไงก็ได้อันนี้มันเป็นช่องทางที่มันเป็นการเปิดช่องหรือการส่งเสริมให้เราเนี่ยนะทําชั่วได้ง่ายคนเราเนี่ยเวลาทําอะไรถ้าไม่มีใครรู้นะมันทําชั่วได้ง่ายนะหรือว่าทําสิ่งที่น่าเกลียดได้ง่ายเหมือนกับคนที่ขับรถยนต์เนี่ย เวลาขับรถยนต์บนท้องถนนเนี่ยคนข้างนอกเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครเพราะว่ารถเนี่ยมันบังเอาไว้นะเพราะะนเวลาหลายคนเวลาขับรถเนี่ยก็จะแสดงกิริยามารยาทที่ไม่น่าดูเช่นกดแตไล่นะปาดหน้านะหรือบางทีก็ตะโกนมาด่าหรือว่าใช้ไฟเนี่ยส่องในลักษณะของการด่ามีฝรั่งบอกว่าคนไทยที่เขารู้จักเนี่ย หลายคนเป็นคนดีน่ารักนะเพ้อเฟ้อเผืเ่แผ่แต่เวลาขับรถนี่เปลี่ยนเป็นคนละคนเลยกิริยามารยาทนี่นะแย่มากเพราะอะไรนะก็อธิบายในที่อัตมาอธิบายคือว่าพอไปอยู่ในพอไปอยู่ในรถแล้วก็ไปคิดว่าคุณเนี่ยไม่รู้จักเราคนบนท้องถนนไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใครเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรก็ได้จะทําจะทํากิริยามารยาทที่ต่ำซ้ำก็ได้ แล้วยิ่งคนเหล่านั้นเนี่ยเราไม่รู้จักนะไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่พ่อแม่ของเราไม่ใช่ญาติของเราเราก็ยิ่งได้ใจนะที่จะทําอะไรกับเขาโดยที่ไม่เกี่ยวเก่งใจให้พฤติกรรมแบบนี้มันก็มามันปรากฏอยู่ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยหลายคนใช้นามแฝงนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ไม่ถูกใจใครพูดอะไรไม่ถูกใจก็ด่าล้อันนี้แสดงว่านะนอกจาก ขาดกลัวแล้วก็ยังขาดขันติดธรรมด้วยคือถ้าเกิดว่าอยู่ต่อหน้าต่อตาก็ไม่กล้านะอยู่ต่อหน้าต่อตาไม่กล้าแต่พอรับหลังก็ดาดาดา ด, าดาอันนี้น อ, อยจากแสงถึงความไม่กล้าแล้วยังแสงถึงขาดขันติดธรรมคนอื่นทําได้นะแต่ชาวพุทธเราไม่ควรทํานะเพราะว่าเราชาวพุทธเราเนี่ยต้องถือว่านะเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ไม่พูดร้ายไม่ทําร้าย จะทำอย่างนั้นได้ต้องมีขันติธรรมด้วยอดกลั้นต่ออารมณ์นะเวลาเจอความเห็นที่ไม่พอใจที่ไม่ถูกใจก็อย่าไปโกรธหรือถ้าโกรดนี้ก็ต้องอดกลั้นเอาไว้อย่าปล่อยให้มันแสดงออกด้วยการไปด่าขันติธรรมในความหมายที่กว้างนะคือว่ารับฟังความเห็นที่แตกต่างจากเราคือใจกว้างนั่นเองต้อ ง, ต, องต้องมีความใจกว้างคนที่คิดไม่เหมือนเรานเขาอาจจะถูกก็ได้ นะหรือว่าคนที่เขาพูดแตกต่างจากเราเขาาจะมีเหตุผลที่ดีก็ไนดะ้ mm. ก็พิจารณาเราฟังไว้เพิ่งไปด่าเดี๋ยวพึ่งไปตัดสินว่าเขาโง่หรือว่าชั่วร้ายเดี๋ยวนี้เราตัดสินกันง่ายเหลือเกินใครที่ไม่เห็นด้วยกับเราก็คิดว่าเขาโง่บ้างละ่ละเขาเลวบ้างละ่ะหรือว่าเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามบ้างละ่ะนะปิดป้ายว่าเป็นศัตรูของเราเนะี่ยคนอื่นทำได้แต่ชาวพุทไม่ควรทานะเพราะว่าชาวพูดธเราต้องมี ขันติธรรมต้องมีความใจกว้างต้องมีเมตตากรุณาแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นได้จากการที่เรารู้จักมันประกอบในการทําจิตให้ยิ่งยิ่งไปยิ่งเป็นนักภาวนาโดยแล้วเนี่ยนะให้ยิ่งการไปด่าใครต่อใครเนี่ยไม่ว่าด้วยด้วยวาจาต่อหน้าต่อตาหรือไปด่าทาง Facebook เฟซบุ๊กนี่ยิ่งไม่สมควรทําใหญ่เลยจะว่าไปเนี่ยแม้กระทั่งพระเจ้าเคยสอนนะแม้กระทั่งโจรเนี่ยนะมันเอาเลื่อยเนี่ยมาเลื่อยอวัยวะของเราเนี่ย ขายก็ตามที่ถูกโจรที่มีพฤติกรรมต่ำทรามเอาเลื่อยมาเลื่อยอวัยวะน้อยใหญ่คนผู้นั้นเนี่ยนะหากมีจิตคิดร้ายต่อโจรผู้นั้นเนี่ยถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ขนาดนี้เลยนะขนาดมาเลื่อยแขนเลื่อยขาเนี่ยแล้วมีจิตคิดร้ายต่อเขาเนี่ยถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำส อ, องพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่านในกรณีเช่นนั้ น, นในสถานเช่นนั้นเนี่ยนะจิตต้องไม่แปรผัน ต้องไม่กล่าวคําช่วยยากนะแล้วก็ต้องมีเมตตาด้วยนะไม่มีโทสะอยู่ภายในมุ่งอนุเคราะห์ด้วยประโยชน์เกือ้อกูลโอ้โหขนาดนอกจากไม่ด่าแล้วนะยังต้องมีจิตเมตตายเขาเ้วยนะแล้วก็เกือ้อกูลต่อเขาอันนี้เป็นคําสอนของพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าก็ไม่ได้แต่สอนนะพระองค์ก็ทําให้เป็นแบบแบบอย่างโดยทั้งในชาติในชาติสุดท้ายของพระองค์แล้วก็ในชาติก่อน ในบางชาติของพระองค์นะตอนที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเป็นดาบทชื่อว่าขันติวาทีนะแล้วก็เป็นดาบทหรือนักพรตเป็นฤาษีที่ภาพมเหสีเนี่ยของพระราชาองค์หนึ่งเนี่ยมีความศรัทธานับถือใครๆก็นับถือนะในดาบ ท, ท่านนี้นะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์นะพระราชาเนี่ยก็อิจฉาขึ้นมา อิจฉาอิจฉาดาบนี่ว่าพราะใครๆนี่ก็มาศรัทธานับถือดาบทพระราชานี่ก็อิจฉาเป็นนะเพราะว่าอยากให้คนเนี่ยมาเคารพนบนอบตัวเองแต่พอเห็นคนอื่นเขาไปเคารพไปเคารพดาบท่านนี้ก็อิจฉาก็อยากจะทําร้ายก็เลยเกลียดชังแล้วก็อยากจะทําร้ายนะก็เลยจับดาบทเนี่ยมาทรมานอยากจะรู้ว่าเมื่อถูกทรมานแล้วเนี่ยแต่ยัง คงความสงบเย็นจนเป็นที่ศรัทธาของญาติโยมได้หรือเปล่านะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีเมตตามีความสงบเย็นบางก็อยากจะรู้ว่าเนี่ยถ้าถูกทําร้ายจะยังมีความสงบเย็นนะเหมือนเดิมไหมทําร้ายยังไงนะตัดมือทั้งสองข้างตัดเท้าทั้งสองข้างแล้วก็ตัดจมูกตัดหูแล้วก็อยากจะดูว่าเนี่ยคันติวะทีเนี่ยจะร้องนะจะไม่มีขันติ จะโกรธหรือเปล่าน ะ, ะบอกว่าคันติวัติตาบทนี่ไม่โกรธเลยนะกลับพูดด้ซ้ำว่าพระราชาพระองค์ใดเนี่ยสั่งให้ตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกขาพเจ้าขาพเจ้าเนี่ยไม่มีความโกรธแค้นในพระราชาผู้นั้นเลยนะแถมยังอวยพรให้พ ร, พระราชาผู้นั้นเนี่ยมีพระชน มายุยืนนานยืนนานด้วยนี่คือพระโพธิสัตว์นะที่พระองค์ทรงบําเพ็ญบารมีเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของอเมตตาบารมีนะขันติบารมีก็เป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยในสุดก็ได้มาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้านะพระองค์ได้บําเพ็ญบารมีสิบประการครบถ้วนนะทั้งบารมีขั้นพื้นฐานบารมี ขั้นรองและอุปบารมีแล้วขั้นสุดท้ายปรมัทธบารมีอาภูชาเนี่ยพระองค์เนี่ยได้เคยเจอมาแล้วในภวาวะถูกทําร้ายแล้วเนี่ยนอกจากจะอนอกจากจะไม่มีจิตคิดร้ายแล้วเนี่ยยังมีจิตเมตตาอันนี้พวกเราชาวพุทธเนี่ยเราก็ต้องเจริญรอยตามพระองค์ให้ได้แม้จะเป็นเรื่องยากและเราก็สามารถเจริญรอยตามได้ด้วยการฝึกตนนะ เวลาใครมาต่อว่าด่าทอเรานะเราก็ไม่โกรธนะหรือโกรธล้วก็อดกลั้นยับยังใจไว้ได้ไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายนะเวลาเล่นเฟซบุ๊กนะใครเห็นใครคิดไม่เหมือนเราพูดไม่เหมือนเราถึงแม้จะเขาพูดด้วยวาจาที่หยาบคายเราก็ไม่โกรธไม่ไม่ไปด่าตอบนะเาต้องทำให้ได้นะแลวเธอเป็นการฝึกด้วย เนี่ยการประกอบความมนประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเนี่ยมันสำคัญตรงนี้แล้วเนี่ยคือรูปธรรมที่เราทำได้ไม่ใช่ว่าเอาแต่สวดสวดไปแต่ว่าในชีวิตจริงก็ไม่ปฏิบัตินะเวลาเล่นเฟซบุ๊กก็นะสติลุดนะปล่อยให้ความโกรธความเกลียดนนะมันเข้ามาครอบงำนะไม่ยับยัง้งนะช่างใจก็เขียนด่าพิมพ์ด่าไป ชาวพุทธจำนวนมากเป็นอย่างนี้นะอย่างช่วงเดือนอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยข้อความที่ด่าดในเฟซบุ o กนี่ก็มาจากคนที่เรียกว่าตัวเป็นชาวพุทธคนที่บอกว่าต้องการปกป้องราาักษาพุทธศาสนานี่แต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนพระองค์เลยนะเพราะฉะนั้นในวันมาคบบูชา เ, เรานะควรตั้งหลักนะหยุดคิดตั้งสติแล้วก็เอาคาสอนของพุทธเจ้าเนี่ยมา พิจารณาทบทวนแล้วก็ใคร้ครวญว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามคำสั่งพระองค์ไหมนะเราได้เอาโอวัตถปนิโมเนี่ยนํามาปฏิบัติไหมโดยเฉพาะถ้าเราเนี่ยนะมีจิตมุ่งนะไปถึงพระนิพพานเนี่ยอย่างที่ในโอวัตถปนิโมได้ย้ำนะว่าให้เราเนี่ยเราลึกถึงพระนิพพานเอาน้อมนําพระนิพพานเป็นเป้าหมาย ถ้าเราเนี่ยน้อมนาอภรณิพนานเป็นเป้าหมายเนี่ยเราจะมะีความจับจังช่างใจมากขึ้นเวลามีเรื่องมากระทบใจไม่ใช่คําต่อว่าดา่าทอเท่านั้นไม่ใช่เจอคนที่คิดแตกต่างจากเราเท่านั้นเวลาเงินหายของหายเวลาเจ็บเวลาป่วยเนี่ยเราถ้าเรานึกถึงพระนิพพานเนี่ยมันทาให้เราเนี่ยรู้จักนะตั้งสติว่าโอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นการบ้านม า, มาฝึกเราให้รู้จักปล่อยวาง นะมันไม่ใช่ครอะกรรมมันคือการบ้านที่มาฝึกให้เราเนี่ยให้เรารู้จักปล่อยวางยิ่งเราเก่งเท่าไหร่ยิ่งเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่เก่งเท่าไหร่ยิ่งต้องเจอของยากเจอการบ้านที่ยากเหมือนกับ น, นักเรียนที่เก่งก็ต้องเจอการบ้านที่ยา ก, ยากบางทีการบ้านก็มาในรูปของการเป็นมะเร็งแทนที่จะบอกว่าโอ้เราสวยแล้วเราไปทาไมเราทาดีทาดีมาทั้งชีวิตทาไมถึงต้องมาเป็นแบบนี้ทาไมต้องเป็นชั้นนะ ให้มองว่าเออเพราะเราทำดีเลยนะธรรมชาติก็เลยส่งการบ้านยากๆมาให้เรานะแล้วถ้าเรามีนิพพานเป็นเป้าหมายเนี่ยนะเราก็จะไม่ไม่เอาแต่ตี อ, อกชกหัวกุ้ม อ, อกกุ้มใจนะเราจะนะเราจะพยายามหาประโยชน์จากมันให้ได้เราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์ในการฝึกใจให้มีความอดทนเข้มแข็งให้รู้จักปล่อยวางให้มีสติแล้วก็อาศัย มันเป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดปัญญาหลวงปูขาวเนี่ยอนารยโยเนี่ยท่านเคยกล่าวว่าเวลาเจ็บป่วยเนี่ยอย่าไปอยากหายนะอย่าไปอยากหายเพราะถ้าเราอยากหายเนี่ยมันกิ้งไปเพิ่มสมุทรไทยซึ่งทําให้เป็นทุกข์มากขึ้นท่านบอกว่าควรจะอยากเห็นความจริงจากทุกขเวทนาเมื่อมันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยอย่าให้อย่า อ, อ, อ, อยากหายเพราะยิ่งอยากเนี่ยมันยิ่งทุกข เพราะมันไม่ยอมหายสักทีเราต้องใช้มันนะก็คือว่าหาให้มีความอยากเห็นความจริงของทุกขเวทนาความอยากเห็นนี่แหละนะมันจะเป็นมรรคที่คอยเหยียบย่ากิเลสและทําให้รู้แจ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าความทุกขเวทนาความเจ็บป่วยเนี่ยมันมันมีประโยชน์นะถ้าหล่อถ้าหลออพิจารณาเห็นความจริงของมรรสสัจธรรมเนี่ยมันก็ทําให้เราพ้นทุกข์ได้ อันั้นถ้าคนที่คิดแบบนี้ได้เนี่ยต้องมีพันธิพาณเป็นเป้าหมายนะแ ล, ะล้วรู้ว่าพันิพาณเนี่ยจะเข้าถึงได้อย่างไรนะไม่ใช่โดยการสวดมนต์ไม่ใช่โดยการ ว, นนวาริงวอนแต่ด้วยการพิจารณาจนเห็นสัจธรรมและสัจธรรมบางทีมันก็มาในรูปของความเจ็บความป่วยมาในรูปของความสูญเสียพัดพรากมาในรูปของคําต่อว่าด่าทอนะงนั้นถ้าเราเอาแต่เสียใจเอาแต่โกรธนะเราก็ไม่เห็นสัจธรรม นั้นเมื่อเราเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยวันมาคบูชาเนี่ยเราเรารึกถึงโอวาทปริโมกแล้วเนี่ยนะก็เตือนใจว่าเนี่ยเราจะเอาพระนิพพาน เ, นเป็นเป้าหมายของชีวิตนะไม่ใช่ความร่ารวยไม่ใช่การมีชื่อเสียงไม่ใช่การมีบริษัทบริวารมากถ้าเราพระนิพพานเป้ามาเนี่ยทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวของเราเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์จะเป็นเครื่องฝึกเราทั้งสิน้น ไม่ว่าโลกธรรมฝ่ายบวกคือได้รับได้ยศได้คําสารเสริญหรือเป็นสุขหรือว่าโลกธรรมายลบเสื่อมลาบเสื่อมยศนะเป็นทุกข์หรือว่าถูกนินทานะมันจะไม่ทําให้เราวันไหวไม่ทําให้เราเนี่ยเมื่อเรานึกถึงพระนิพพานเราจะตั้งสติได้แล้วเราก็จะฝึกใจเพื่อให้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยดีนะก็ฝากเอาไว้นะเอาเมื่อเราได้ฟังไปแล้วเนี่ยก็ลองเอาไปเป็นกันบ้านนะ เอาไปทาเอาไปฝึกฝนตนเองนะอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงวางแบบแผนเอาไว้แล้วนะในโอวาทปฏิโมก์นะที่เราได้ได้สวดกันในวันนี้นะก็ขอุตติภิเท่ีนะ